วันนี้เป็นวันพระด้วยต่าฟังแล้วยังไงไม่ใช่จาเป็นเฉพาะต้องวันพระฉันจึงจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลทําใจให้สงบมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเราควรจะต้องทําทุกวันโดยสัมแต่ถ้าท่านผู้ฟังจะอาศัยวันนี้เป็นวันที่จะเตือนสติเราว่าโอ้ฉันจะทําความดีให้ยิ่งขึ้นไปฉันจะเพียรละอกุศลที่มันยังมีอยู่ให้ได้ อาัยนี้เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทําความดีอันนี้สามารถทาได้อันนี้สามารถมีขึ้นได้เกิดขึ้นได้คือที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาจ้องแต่จะทําความดีเฉพาะวันสําคัญทางาศาสนาหรือว่าจะจ้องแต่ทําความดีเฉพาะในช่วงมันพระแล้ววันอื่นเราประมาทเผลอเพลินไม่ใช่อย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรามีความไม่ประมาทไม่เผลอไม่เพลินมีสติตไม่ลืมหลงองยู่ในทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันสําคัญ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 มันไม่แน่ไม่นอนนะคนเรามันไม่แน่ไม่นอนว่าจะมีความพลิกผันไปอย่างไรอย่พูดง่ายๆอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความตายที่มันจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่จึงเป็นเหตุที่จะต้องทําให้เรามีความระวังมีความที่จะไม่ประมาทแต่ระวังในที่นี้ไม่ใช่ว่าเครียดครัดจนกระทั่งว่าทําอะไรไม่ได้แต่ระวังในที่นี้คือมีความไม่ประมาท ร, ระวังในที่นี้คือมีสติ ระวังในที่นี้คือมีการสำรวมอินทรีย์ระวังในที่นี้คือเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอตื่นด้วยใจที่มีสตินั่นเองเป็นหล่อเข้าใจละแต่ถ้านผูฟังจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษอะไรก็ตามถือข้าพเจ้าจะไม่ค่อยพูดอะไรพิเศษแต่เพราะว่าทุกวันสําหรับตัวข้าพเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่พิเศษนันที่เราตื่นช้ามาลืมตาขึ้นมาเนี่ยโอ้ฉันยังมีชีวิตอยู่เอฮ น, นี้มันดีแล้วมันดีแล้วนตเป็นวันที่พิเศษของเราในวันนี้ แต่แค่วันนี้วันเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีสติไม่ลืมหลงมีใจไม่เครียดคลาดเกินไปมีจิตตั้งมั่นเป็นอาร ม, มันเดียวแล้วันนั้นเป็นวันพิเศษสำหรับเราเป็นวันที่เราสามารถใช้ในการทำความดีใช้ในการแบ่งปันความดีของเรากับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่ชาวโลกเขาสมมติกันก็ดีทา่ฝัง่งดี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 ที่ตำบล น, นั้นอยู่ประมาณ2เดือนในช่วง2เดือนนั้นเราก็มีความคิดความดำริในเรื่องของการแสดงธรรมว่าจะแสดงธรรมโปรดใครดีและในที่สุดก็ได้ตัดสินใจว่าะจะไปให้ปัญจวัคคีย์คือภิกษุทั้งห้าเนี่ยได้ฟังธรรมะ ก, ก่อนเพราะว่าเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยอยู่หลังจากที่ได้เดินทางจากตำบลขยาไปที่ป่าอีศิปัตนะแขวงเมืองพัตตศีตรงนั้น เราก็ได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้เราปัญจวกขี่ฟังอันนั้นก็เป็นเดือน8ปดหละนันคือตราสรู้เดือน6พักอยู่2เดือนนํามาถึงเดือน8ได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกเป็นการหมุนธรรมจักรให้เป็นไปที่ป่าอีศิปัตนามฤุขไทยวันนั่นคือแถวเมืองพานาสีพราเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้ น, น, นเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ที่นั่นอีกประมาณสัก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 ก็ได้มีสาวกเกิดขึ้นตามมานานอกเหนือจากมัรจาวิ ก, กีด้วยนั่นก็คือยสัสสกุลบุตรในยสัสสกุลบุตรนี้เป็นผู้ที่มีควา ม, มอบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรมคุณทางห้าเป็นลูกของเศรษฐีมีความสุขได้รับการเราคบประงมต่างๆนานาแต่ว่าเห็นโทษภัยในกาเหมือนกันออกจากเมืองพระณศีมาคิดว่าจะหาที่ที่มันไม่วุ่นวายหาที่ที่มันสงบแต่ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้คิดว่าท่านผู้ฟังได้ ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้าได้ได้อ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวของพระยส ะ, ะที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมแหลังจากได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเรียบร้อยก็มีเพื่อนของท่านพระยะศะอีกสคนรวมท่านพระยะศะเป็นห้าคนมีชาติเสมอกันส่วนอีก50คนก็เป็นสหายที่ตามมาเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็จึงมีพระยะศะกับเพื่อนห้าคน แล้วก็มีสหายอีก50คนแล้วก็ยังมีบรรจับวัคคีรวมกันทั้งหมด60รูปรวมพระพุทธเจ้าโดยก็เป็น61รูปพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ตรัสกับพระอรหันต์สาวกทั้ง60รูป60รูปแรกที่ป่าอิสิ ป, ปัฒนะมฤคทิยวันพูดถึงการที่ให้ไปแสดงธรรมโดยให้มีความงดงามในเบื้องต้นทรามกลางที่สุดน่อย่าไปทางเดียวกัน2รูป ลรวก็บอกว่าสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่นี่คือได้ตัดกับภิกษุ60รูปแรกที่เป็นพระอรันในช่องสมเดือนนั้นที่อยู่ที่ป่าอีสีปัตนะมรกขทยวันและนอกจากมีภิกษุ60รูปแรกนี้แล้วที่เป็นพระอรัทั้งสิน้นบวชให้กับมือเอง นะเราก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาที่ถือปรัตนตรัยนะครเป็นพวกพ่อแม่แล้วก็ภรรยาเก่าของท่านบยญะแล้วก็อื่นๆือีกด้วยนะเมื่อตอนนั้นพระเจ้าหลังจากอยู่ที่ป่าอิสีปัตนามฤคตไทยวันได้พอสมควรนะหลังจากที่ตรัสกับภิกษุ60รูปแรกเราก็ได้บอกว่าแม้ตัวพระองค์องเองแล้วก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเพื่อที่จะแสดงธรรมแล้วก็พรองค์เดียวอีกเหมือนกันแนะหกสิคนต่างคนต่างไป ไปแยกกันไปในขณะที่พระเจ้าเดินทางไปถึงตาบลอูรุเวลาแล้วก็เป็นบริเวณที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองเขาก็เรียกว่าแต่แถวนั้นก็เรียกว่าแควนมคตะมีเมืองหลวงของแควนนี้ก็ชื่อเมืองราชจุฬาและในโซนนั้นบริเวณนั้นแล้ก็เป็นที่อยู่ของพวกชลินลชนินเนี่ยหมายถึงฤาษีนั่นแหละฤาษีที่บูชาไฟแล้วก็อาศัยแหล่งน้ะอยู่บริเวณหนึ่ง แตพวกชลินพวกนี้เขาก็บูชาไยแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นพระรูเจ้าก็มาพบปากกับพวกชลินนะก็มีคณะนี้เป็นคณะใหญ่นะมีบริวารมากแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันสามกลุ่มนี้ก็เป็นพี่น้องกันพี่ชายใหญ่ก็มีบริวารมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยมีห้าร้อยคนน้องชายคนรองน้องชายคนเล็กลก็มีบริวาร300คน200คนตามลําดับ แล้วก็มีเพื่อนด้วยกันทั้งหมด 1,000 คนด้วยกันแต่เป็นกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน้ำบูชาฝ่ายอยู่มีความคิดว่าตัวเองเป็นพระอรันต่และเป็นฤาษีหนวดยาวผมยาวลักษณะนั้นพอพระเจ้าก็เป็นผู้ประพฤติประมจันเป็นสมณะคนหนึ่งแต่ไปถึงก็ไปขอที่อยู่ขอที่พักนังกับชลินผู้พี่ก็ปรากฏว่าได้แสดงปฏิหารน่ะให้เห็นน่ะให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีความสามารถมากนะเช่นการที่ปราพยานาคนะให้หมดฤทธิ์การที่มีเทวดามาฟังธรรมมีแสงสว่างไปทั่วบริเวณเดินบนน้ำนะจุดไฟนะแหวกน้ำบ้างอะไรบ้างหลายปฏิหารด้วยกันนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวพิสดารเหมือนกันในะรายละเอียดก็มีในลักษณะที่จะทำให้ชลินเนี่ยเขาเกิดความเลื่อมใสแต่ปรากฏว่า ทั้งเจ็ดวาระที่แสดงปาฏิหารเนี่ยชนินผู้พี่คนนี้ที่ชื่อว่าอุรุเวลกัสปะเนี่ยก็มีความคิดว่าพระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มากจริงๆนะสมณะคนนี้มีฤทธิ์มากแต่ว่าคงไม่ใช่พระอรันเหมือนตนพนะระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารให้ดูอย่างไรก็ตาม6ครั้งเจครั้งก็ตามก็มีแต่ความคิดที่ว่าบพุทธเจ้านี่สมณะคนนี้นี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นพระอรันเหมือนเราแน่้นะคือมีทิฏฐิอย่างนี้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 เกี่ยวกับเรื่องของปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความเป็นผู้หมดกิเลสซึ่งก็ได้พูดพอพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวท่านเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่ตัวท่านเนี่ยไม่ได้มีข้อปฏิบัติที่จะทําให้กิเลสหมดแลาจะทําให้กิเลสหมดได้อย่างไรแข้อปฏิบัติที่ทําให้กิเลสหมดคืออริยมรรคมีองค์แในลักษณะ น, น, นั้ น, นทําให้ชลินผู้พี่เริ่มมีความเข้าใจมีความละเอียดลึกซึ้งในที่นั้นก็จึงทูลขอบรรพชา ได้ขอบวชนั่นเองแต่พอขอบวชแล้วเราพวกบริวารทั้งหลาย500ร้อยคนก็บวชตามด้วยแต่เราพี่น้องที่อีก2 อ, อ, องกลุ่มที่มีบริวาร300และ200คนตามลําดับเนี่ยก็บวชตามหมดเพราะเห็นผู้พี่บวชแล้วก็เลยบวชตามนั่นเองแต่ทั้งหมดตอนนั้นก็มีภิกษุอยู่พันรูปแต่พันรูปเป็นพวกชลินทั้งสิน้นเป็นฤาษีมาแต่เกา่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรม ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของอาทิตตะปริยยสูตรในะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสําคัญนะเราไล่กันมาเนะื่ตั้งแต่ตรัสรู้ใช่ไหมเดือน6หนกะมาเดือน8เป็นช่วงที่มีการแสดงธรรมจักปรปวัตนสูตรนะจนทั้งพระท่านพระอน ญ, ญาการธัญญาเนี่ยบรรลุเป็นโสตบันหนะลังจากนั้นสองสาวันก็ติวเข้มกันใหญ่เนะี่ยมีการแสดงแสดงอนัตตลกนัสูตรนะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง่นะมีพวกขันห้า บ, บ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้าง หลังล่าจากที่ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดไนะด้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมด้วยอนัตตลักนณสสูตรในช่วงพรรษา น, นั้นนะตั้งแต่เดือน8เป็นต้นไปประมาณ3เดือนจนถึงเดือน11บเอ็ก็มียาาัสะกุลบุตรนะแล้วก็ เ, เพื่อนของยาาัสะกุลบุตรก็ได้แสดงธรรมเรื่องอนุบุพิกถานะคือเรื่องที่ว่าด้วยทานศีล ส, สวรรค์นนะโทษของการรมและอั น, นิี้สงวนการออกบวชหนะลังจากนั้น แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องอริยสัจ ส, สีด้วยแล้วก็ข้ามกลับมาที่ตำบลอุรุเวลาจากป่าอีสิปตนะกลับมาที่ตำบลอุรุเวลาลวเจอพวกชลินหนึ่งพนคนพอเขามีศรัทธามีจิตใจตั้งมั่นแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมีสมาธิฏฐิละขอบวชละก็ได้แสดงอัติตตปริยายสูตรนบุฟังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเราชลินทั้งพันคนเนี่ยเขาบูชาไฝ่ไมาก่อน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 น้มันจะติดตรงไหนติดตรงที่มันต่อกันเนี่ยตรงที่มันกระแทกกันอย่างเวลาที่เขาเอาหิน2ก้อนมาแชะแฉะกันนะหรือว่าเอาหัวไม้ขีดกระบมามาเสียดสีกันหรือว่าเอาไฟแชกเวลามันจุดแชะแฉะขึ้นมาเนี่ยน้มันจะมีสิ่งสองสิ่งที่เสียดสีกันแล้วก็จุดเป็นไฟเกิดขึ้นมาใช่ไหมพวกนี้เขาก็ชํานาญอยู่แล้วเอาไม้2 อ, อันมาสีกันไม้สีไฟอันหนึ่งกับไม้แห้งอันหนึ่งไฟก็ลุกขึ้นมาได้ใส่เชือใส่ไส้เข้าไปน้ำไฟก็ติดขึ้นมา ซึ่งตัวนี้พระเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของปัสสาวะแต่ว่าตากับรูปเนี่ยมันชนกันทัวมันเกิดไฟขึ้นของร้อนขึ้นเกิดขึ้นนั่นคือความรู้แช้ง่างๆาแตา่นะพอมีความรู้แช้ง่างๆาปุ๊บสามอย่างรวมกันเป็นปัสสาวะปัสสาะก็ร้อนด้วยปัสสาะร้อนก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นในภายในทางกายก็ตามความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่สุขอันนี้ก็ร้อนด้วยแตนะเกิดความรู้สึกแล้ว นะความคิดนึกความอยากการปริวิตกอะไรต่างๆที่เกิดจากนี้ก็เป็นของรอนทั้งสิน้นร้อหมดเลยนะร้อหมดเลยพอมีความรู้เห็นจำแจ้งแล้วเนี่ยก็จึงมีความหน่ายนะพอมีความหน่ายก็มีความคลายกําหนัดพอมีความคลายกําหนัดนะก็ปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้หมดจดหมดเกลี้ยงเนะพวกชลินทั้งพันคนตรงนั้นนะก็บรรลุเป็นพระอรันขึ้นมานะในสมัยนั้นก็จึงมีพระอรันเกิดขึ้นละหนึ่พักับอีกรูป พระพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งก็เป็น1061รูปในะตอนนั้นแต่ว่า60รูปแรกเนี่ยก็ไปคน ล, ละทิศลนะทางนในไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก่อนในะมีแต่พันรูปเท่านั้นที่อยู่กับพระพุทธเจ้า60รูปแรกนี้กระจายกันไปละตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ป่าอิศิ ป, ปตนะแต่ก็เผ อ, อิญมีรูปหนึ่งในะซึ่งไปทางคนละทางกันกันกบที่พระพุทธเจ้าไปรูปเนี้ไปที่เมืองราชกฤต์พนะระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ไปที่อุรุเวลาปรากฏว่า พระอัสชิในะรูปที่ไปที่เมืองราชเกลือเนี่ยได้มีโอกาสไปพบปริพาชกผู้หนึ่งนะซึ่งปริพาชก ค, คนนี้ก็สมัยต่อมาก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองนะปรากฏว่าพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นปริพาชกอยู่นั้นนะก็ได้พบเห็นท่านพระอัสชนะิมีอินทรีย์ขาวผ่องมีวันนะงามนะก็เลยมีความสนใจใคร่รู้ว่าเอ๊บุตรในคาสอนของใครมีคาสอนว่ายอย่างไรอะไรต่างๆนะก็จึงเป็นเหตุที่ ที่ทําให้ปริพาชคที่สมัยต่อมาเป็นท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นที่เป็นปริพาชคอยู่เนี่ยได้มีโอกาสาพูดคุยนะฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแนะลัเรากที่ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแล้วนะก็ด้วยปัญญาที่ท่านสังสมบารมีเอาไว้ไนดะ้ทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่นั้นโดยที่ยังไม่ได้บวช ด, ด้วยซ้าท่านพระสารีบุตรสมัยที่เป็นปริพาชคนั้นว่าบรรลุโสดาบันแล้วนั่นก็ชักชวนเพื่อนนั่นก็คือท่านพระมหาโมกขลนะ ก็เพื่อที่จะไปพบพระส ม, มานสำมูรชาในขณะที่ไปนั้นก็ได้ไปบอกกล่าวอําลาอาจารย์นะัก็คือสัญชัยที่อยู่ในสํานักอีกสํานักหนึ่งเป็นอาจารย์ระดับหนึ่งแลนะปรากฏว่าก็ได้ชักชวนหมู่เพื่อนกันทั้งหมด250ร้คนนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะก็มาจากที่ตำบลอุรุเวลาละก็เข้าไปสู่เมืองราชกรนะลึกร้อมด้วยภิกษุพันธุ์รูปคือเราพวกจรินพวกนั้นก็ได้มีโอกาส รับเสนาสนะจากพระเจ้าพิมพิสารณราชาแห่งแควนมคธรับวัดเวรุวันแล้วก็มีสถานที่ที่อยู่ที่พักที่เรียบร้อยล่ะท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังเป็นประภิกษชคอยู่นพร้อมกับด้วยท่านประหมหาโมกลนะณะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้ากับภิกษุ250ร้อเห้าสิบนั้นพระพุทธเจ้าก็บวชให้แต่ตอนนั้นในที่นั้นที่วัดเวรุวัน เนจึงมีพิกษุตรหนึ่งพันสอร้อยห้าสิูปพอดีเนรวมพระรูปเจ้าด้วยเป็นอีกรูปหนึ่งเป็น1251รูปส่วน60รูปแรกที่ป่าอีซิปตนะนั้นก็กระจายไปกลุลาทิศตตทางละไปเที่ยวแสดงทำอะไรต่างๆตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะพันสมาจากไหนนะแล้วก็แต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรูปนั้นพระเจ้าก็บุดให้บุดให้ทําความเพียรจนกระทั่งบรรลุปเป็นพระอรหันต์สองที่เป็นหมู่เพื่อนของท่านภาษารีบุตรนั้น นะหลังจากบวชไม่กี่วันก็บรรลุเป็นพระอรหันตะ์ทั้งหมด248คนส่วนท่านพระหมาโมคลานั้นก็ใช้เวลา7วันแในะท่านพระสารีบุตรนั้นก็เป็น15วันในะ15วันถัดมานั้นก็พอท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมแล้วนกะ็มีอัครสาวกที่เพียบพร้อมแล้ทุกรูปเป็นพระอรหันต์หมดแต่กนะ็จึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบครบถ้วนความเหมาะสมที่เกิดขึ้นที่นั้นก็นะอเนื่องจากมีอัครสาวกพร้อมแล้วด้วย และมีเหลาภิกษุผู้มีบารมีผู้ที่มีบุญญาธิการสั่งสมมาแล้วก็มีเสนาสนะพร้อมมีผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์พร้อมจึงควรที่จะต้องมีก็เรียกว่าเหมือนกับการประชุมครั้งแรกในการประชุมเราสาวกครั้งแรกว่าอ่ะตอไปนี้เราจะดําเนินการในเรื่องคําสอนของเราอย่างไรในการประกาศศาสนาจะทําอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เป็นกระดาเป็นเรื่องที่ประชุมที่สําคัญนะซึ่งเป็นจึงเป็นที่มาของวันมาฆบูชานัหนึ่ง วันเพ็ญเดือน3นะซึ่งถ้ามานับในทางเดือนของฝั่งตวันตกเนี่ยก็จะเป็นเดือนประมาณกุมภาพันธนะ์ของทุกปีประมาณนี้ก็จะเป็นวันที่มีวันมาคบูชานะซึ่งเนื้อหาที่พระเจ้าแสดงในเรื่องของโอวาทป า, าติโมกนั้นเนะก็มีนักปราชญาบัณฑิตหลายท่านก็แบ่งเป็น3ส่วนนะพูดถึงหลักการ3นะอุดมการณีและวิธีการหนะหลักการ3ก็คือหลักการที่พระเจ้าทั้งหลาย นะจะใช้ในการที่จะบอกสอนนะเป็นหลักการที่เป็นหัวใจของคําสอนพุทธเจ้านั่นะก็เรียกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงนะการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตให้บริสุทธิ์อันนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะสัพปะปะสะการนั่งกุศลสูบผสมปฐ า, า, า, า, า, าพวกนี้บางท่านก็ท่องได้ด้วยซ้ำนั่นะคือการไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลถึงพร้อมทําจิตใจให้บริสุทธิ์หนะลักการเป็นอย่างนี้3อย่างนี่ก็เรียกว่าหลักการ3 แล้วก็อุดมการสี่คืออะไรแต่คืออุดมการ์ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอุดมการณ์มีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่หลักการมี3อย่างอย่างนี้แล้วอุดมการทําไปเพื่ออะไรนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของนิพพานแล้ว่ามีนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายของการออกบวชแล้วคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการบําเพ็ญตบะสมัยการทรมานร่างกายบ้างการทําความเพียรในรูปแบบต่างๆทําให้ร่างกายให้เจ็บปวดบ้างหรือว่ามีข้อวัตรปฏิบัติอย่างต่างๆกัน นะซึ่งพระุทาก็จึงบอกว่าหลักการตรนนั้นเนี่ยยังไม่ถูกในะสิ่งที่ถูกกันนั่นคือเรื่องของขันติขันติคือความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นตะบะอย่างยิ่งในที่นี้เพราะในเรื่องของความอดทนนะไม่ใช่ทําตัวให้ลําบากประปา ป, ป, ปิปลี่<ๆ>ก็จึงพูดถึงการที่ไม่ทําร้ายคนอื่นก็จึงพูดถึงผู้ที่ทําร้ายคนอื่นนะไม่ใช่ว่าปัญญาชตทําร้ายตัวเองด้วยนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยถึงเรียกว่าเป็นสมณะในอุดมการ์ของความเป็นพระอุดมการ์ของความเป็น สาวกในธรรมมะอะไร น, นี้ก็มีอย่างนี้นะัคือปฏิบัติเรื่องขันตินะั่ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็มีนิพพานเป็นที่หวังเป็นมร ม, มาธรรมนั่นนี่คืออุดมการณ์สอย่างในอุดมการณ์สอย่างนี้แล้วเราจะไปประกาศศาสนาอย่างไรแล้วนะมีวิธีการอย่างไรแล้วนะก็จึงมีวิธีการ6อย่างด้วยกันแตนะ่วิธีการ6อย่างนี้นั่นะก็คือพูดถึงการปฏิบัติตนของพระสงค์นั่นเองนั่นะก็คือ1 การไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะําไม่โจมตีว่าศาสนานั้นดีศาสนานั้นไม่ดีศาสนานฉันดีกว่าศาสนานเธอไม่ดีเท่านะําไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งวิธีการปฏิบัติข้อที่สองไม่ทําร้ายคนอื่นด้วยนะ่ะไม่ทําร้ายทางกายทางวาจานะทางฝ่า ม, มือไม่บุคคลบังคับต่างต่าข้อที่สคือตัวผู้ที่จะไปเผยแพร่ศาสนานเนี่ยก็จะต้องมีศีล น, นะตัวเองต้องมีศีล น, นะศีลในที่นี้ น่นก็คือศีลในปฏิโมกขน่นเช่นของพระก็หลายร้อยข้อเป็นพันข้อนู่นให้ให้ดีให้ถูกแต่ข้อที่4คือเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคในการปฏิบัติตัวของตัวเองละแต่ข้อที่5คือมีที่นั่งที่นอนอันสงัดอยู่ในที่หลีกเล่นอย่าไปที่ที่มันอึดอัดคือโครมนั่นไม่ใช่วิธีการทางคําสอนของพระเจ้าแต่ไปในที่ที่มันมีความสงบสงัดนสอนให้มีความสงบสงัดแล้วข้อที่6กน่นก็คือการทําความเพียรในจิตอันยิ่ง ในะเช่นเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะเรื่องของการภราวนาโพชฌงแรงต่างให้อยู่ในนี้ในะนี้กี่วิธีการ6อย่างแต่ผู้ฟังลองจินตนาการตามนีก่อนไหมว่าตอนนั้นมีหมู่ทรงครบถ้วนนะเอเราจะประกาศคําสอนนี้ออกไปอย่างไรการประชุมครั้งแรกตอนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเหนะมือนกับเราจะตั้งบริษัทนะตั้งบริษัทเปิดบริษัทมใหม่อย่างเงี้ยเอาพนัก ง, งานผู้ถือหุ้นนะอะไรต่างก็เตรียมพร้อมแล้วเอาเระมาประชุมกัน นำว่าเราจำเ น, เนินกิจการของบริษัทกันของเราอย่างไรแต่นะเช่นเดียวกันในที่นั้นนบะุญเจ้าก็อาศัยความที่เหตุปัจจัยมันครบถ้วนหนะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกานำะภิกษุที่สําคัญสําคัญอยู่ที่นั้นหมดในะเหตุการ์พร้อมสถานที่มีพร้อมหนำะก็จึงได้มีการประชุมกันในที่นั้นหนำะพูดถึงว่าเในธรรมวินัยของเราเนี่ยจะมีหลักการว่ายังไงหนำะจะมีอุรมการณ์เป็นไปอย่างไรและพิธีการเป็นอย่างไรในที่นี้ ะก็จึงพูดถึงเรื่องของหลักการ3อุดมการ์4วิธีการ6กแลจึงเป็นที่มาของเรียกว่าโอวาทปาติโมกวันมาคาบุชาที่เราจำกันได้นะว่ามีจตุรงคสนิบาถมั้ยมีองค์ประกอบ4อย่างและหนึ่งในนั้นน่คือเรื่องโอวาทปาติโมกน่ะภิกษุ1250รูปมาประชุมกันนะบวชให้เองหมดนะแล้วก็ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์แลก็จึงเป็นที่มาของความสาคัญในวันมาคาบูชานี้ อันหนึ่งต้องทําความเข้าใจก็คือมีคําคําหนึ่งของภาษาพระอนะันที่เขาเรียกว่าปาติโมกนะักพระจะต้องไปลงปาติโมกลงอุโบสถทุก15วันนะโอวาทปาติโมกนี้จะเป็นคนละอันกับเรื่องของการที่ต้องไปลงอุโบสถทุก15วันซึ่งจะต่างกันนะคือพระที่จะไปลงอุโบสถเนี่ยหรือลงปาติโมกเนี่ยคือการทบทวนศีลของตัวเองนะซึ่งจะทํากันทุกๆ15วันนะแตโอวาทปาติโมกนี้พระเจ้าแสดงครั้งแรกนะคือในวันมากาบูชาตรงนี้เท่านั้นเอง ในที่อื่นแสดงไหมแล้วก็ได้พูดถึงอยูนะ่เพราะว่าเป็นเนื้อหาธรรมะใช่ไหมพูดที่ไหนก็ได้อย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าไปลงอุโบสถนะไปลงปฏิโมกกับหมู่ภิกษนะุในช่วง20ปีแรกก็ยังได้กล่าวคาถานี้ทบทวนอยู่เรื่อยนะทบทวนทุกทุ่ยสิบหวันนะว่ า, าพระต้องมีอุดมการอย่างนี้นะมีหลักการอย่างนี้นะมีวิธีการปฏิบัติอย่างนี้นะทบทวนกันไปนะในช่วง20ปีแรกที่พระเจ้ายังลงอุโบสถกับหมู่ภิกษุอยูนะ่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงปฏิโมกกับหมู่ภิกษุละ น, นี้คือเรื่องราวของวันมารกาบูชาดวมถึงความแตกต่างระหว่างปฏิโมกที่ภิกษุต้องลงทุกๆ15วันนะมีการทบโทนทุก15วั น, นะวนแล้วก็โอวาทัปปิโมกนะซึ่งเป็นเนื้อหาธรรมะที่ได้แสดงครั้งแรกในวันมารกาบูชาในตอนปีที่สองของการตรัสรู้นั่นเองซึ่งเรื่องของโอวาทปปิโมกนี้นะก็ถ้าใครที่เป็นภิกษุนะมีการลงอุโบสถทุก15วันเนี่ยเราจะทราบอยู่แล้วว่าบทตรงเนี้ย จะมีการทบทวนด้วยทุกๆ15วันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าสาวกทั้งหลายผู้ใดก็ตามนะคําสอนตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกับก็เรียกว่าเป็นโอวาทครั้งแรกนะเป็นสุนทรพจน์ที่บุจาให้ไว้ในยามเปิดบริษัทในการตั้งธรรมะวินัยนี้ขึ้นมาในวันนั้นองประกอบครบถ้วนอย่างที่ว่านี้และในวันสําคัญในลนักษณะนี้เราควรที่จะตั้งจิตตั้งใจนะที่จะทําความดีให้มันยิ่งขึ้นไปแตนะ่สิ่งไหนเราดีแล้วเราทําแล้วดีแล้ว ไหสิ่งไหนเราทําได้ทําเป็นทำถึงแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีไหนทำมาดีให้มันยิ่งขึ้นไหโดยการที่เราตั้งอยู่ในความดีที่เราทําได้มากก็ตามน้อยก็ตามไหบางคนอาจจะทําได้น้อยก็อย่าท้อแท้ท้อถอยไหให้ตั้งอยู่ในความดีที่น้อยของเรานั่นแหละไหนเราก็ขยายออกละสิ่งที่เป็นอกุศลให้มากขึ้นไหนทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลไห น, น, นทำจิตให้บริสุทธิ์จิตที่ค่อยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะค่อยล้างออกลอกออก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 ทุกๆ15วันหนาจะทำให้กึ้นใจท่องให้ได้ระลึกถึงให้ดีปฏิบัติให้ถูกหนาจะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะวินัยนี้ได้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือคําถามใดๆก็สามารถติดต่อข้าพเจ้ามาได้โดยการส่งจดหมายในเขียนเป็นปรษศนิยบัตรหรือจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้นะถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ต กไปที่เว็บไซต์เพียวธร m มะ .com/prd p-u-r-e-d-h-a-m-m-a. com/prd และในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบุญอภีปุญโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนบอน